สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายเสกรคุณชอบเล่าคลิปนี้จะมาในหมวดของเรื่องลี้ลับทางบ้านบ้างนะครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกได้ฟังกันนะครับโดยที่ตัวผมเป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดหากว่าขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดอะไรไปผมจะขออภัยนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่กำลังรอคิวอยู่งั้นเรื่องแรกเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของท่านขุนบีคนทําเป่ากันนะครับท่านสมาชิกท่านนี้ได้เล่าว่า เรื่องราวที่ผมจะเล่านี้มันเกิดขึ้นกับผมที่เชียงใหม่ครับธรรมดาแล้วตัวผมเองก็อยู่ที่กรุงเทพครับแต่แฟนผมนี่สิเธออยู่ที่เชียงใหม่ผมเองจึงได้มีโอกาสได้เดินทางไปหาแฟนที่เชียงใหม่ก็ไปไปมามาสุดท้ายตัวผมเองก็เลยได้ไปทํางานที่เชียงใหม่เลยซึ่งงานตรงผมก็คืองานดูแลหอพักหรือชื่อย่อรอปรพอรองประหลัด อ, อําเภอแนนแน่ไม่ใช่นะครับลอเล่นยามนะครับระหว่างที่ผมไปทํางานอยู่เนี่ยตัวผมเองก็ฟังภาษาเหนือไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แล้วก็ไม่รู้เรื่องขนทมทำเนียมประเพณีของคนเชียงใหม่เขาด้วยยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาถือกันก็ ย, ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นผมจําได้ดีมันคือวันที่8กันยายนพศ2550ซึ่งมันก็เหมือนวันธรรมดาทุกๆวันนั่นแหละคือตัวผมนะ่ะจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวข้าง น, นอกทุกวันเหตุผลก็คือผมไม่อยากทำอาหารกินในห้องพักวันนั้นหลังจากที่กินข้าวเสร็จประมาณ 3-4 ทุ่มผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับมาที่ห อ, อพักระหว่างที่ขี่รถกลับอยู่นั้นน้้นนนผมกก็ึึขไดว่า น่าจะเลยไปซื้อของอาว้กินตอนดึกดีกว่าซึ่งบรรยากาศแถวหอที่ผมอยู่นี้ต้องขอบอกด้ครับว่ามันหลอนมากมันมืดมากจริงๆแต่ผมเป็นรอปภต้องไม่กลัวผมก็ขับรถเลยหอไปไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อขาไปก็เป็นปกติครับไม่มีอะไรแต่ขากลับนี่สิผมก็ได้พบกับรถกู้ภัยเอ๊ะเขามาทําไมมีอะไรใครเป็นอะไรแล้วรถกู้ภัยคันนั้นก็ได้ไปจอดที่ข้างหอที่ผมทํางานอยู่เอ๊ะผมเช็คจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ละทันทีที่หน่ยกู้ภัยเอาไฟส่องผมก็ได้รู้ถึงเหตุผลที่เขามามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับกำแพงซึ่งดูแล้วก็น่าจะรุนแรงมากเพราะว่ากำแพงเป็นรูเลยผมเองก็เลยได้จอดรถดูสักพักหนึ่งจนเห็นว่าก็คนคนเจ็บขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลแล้วจึงได้กลับคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปกับหน้าที่ที่ใช้ความอดทนอย่างยิ่งในใจยุงและก็ในใจความเงียบความง่วงนี้ไม่ต้องบอกเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องง่วง แต่หน้าที่ก็คือหน้าที่พอเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ได้เห็นตรงจุดนั้นมีกระทงอาหารกับตุงแดงปักไว้เห็นแบบนี้ผมก็คิดว่าพี่ผู้ชายคนนั้นคงไม่เป็นอะไรมากแยกๆเขาก็เหลือของมาไว้เจ้าที่เจ้าทางและพอค่ําคืนของคืนวันนั้นมาถึงผมก็เข้าทํางานตามปกติก็เดินตรวจตราไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งแล้วก็เดินแล้วก็กลับมานั่งอีกจนถึงเวลาประมาณตีสองผมรู้สึกหิวก็เลยว่าจะไปที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งหนึ่ง ได้ดังนั้นผมก็ควบเจ้ารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจทันทีและก็มุ่งหน้าขับออกจากหอตรงไปยังจุดหมายและระหว่างที่ผมกาลังจะขี่ผ่านตรงจุดนั้นที่มีกระทงอาหารกับตุงแดงปักอยู่ผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขายืนทําอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนลักษณะว่าเขายืนมองตุงแดงนั้นอยู่และก็มองแบบตั้งใจมากผมเองก็ไม่ได้สนใจรีบมุ่งหน้าตรงไปยังร้านสะดุกซื้อซื้อของเสร็จก็ขี่รถกลับแต่ก็ไม่เจอเขาแล้วและนั่นก็คือขืนแรกที่เราได้พบกัน คืนที่สองผมก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมก็เดินไปเดินมาแล้วก็ตรวจตราแล้วตีสองก็หิวขึ้นมาอีกแล้วก็เช่นเดิมก็คือต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อผมก็ขี่รถออกจากหอไปแล้วก็ต้องผ่านตรงจุดนั้นอ้าวเฮ้ยทำไมยังอยู่ผู้ชายคนนั้นมาทำอะไรอยู่ที่นี่วะแล้วความคิดของผมมันก็เกิดขึ้นมนบ้าหรือเปล่าวะมันยืนทำอะไรดึกดึกนอย่างนี้มืดก็มืดก็ได้แต่คิดในใจแล้วก็ขี่รถผ่านไป แล้วเมื่อซื้อของเสร็จก็ขี่รถกลับมาเขาก็ยืนอยู่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเมื่อผมมองไปเขาก็หันมามองหน้าผมมองแบบหาเรื่องซะด้วยจ้องกเหม็งสงสัยจะไม่ค่อยเต็มจริงๆแหละผมก็ขี่รถผ่านไปไม่สนใจแล้วคืนวันที่สองก็ผ่านไปและเมื่อมาถึงคืนวันที่สคืนนี้แหละก็เหมือนเดิมผมเดินตรวจแล้วก็หิวเหมือนเดิมและเวลาช่วงประมาณตีสอเช่นเคยผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปซื้อของ และระหว่างที่ผมกําลังจะผ่านตรงจุดนั้นอ้าวยังไงกันเนี่ยทํำไมผู้ชายคนนั้นยิ่งอยู่เสื้อผ้าชุดเดิมแล้วก็ยืนจ้องมาทางผมแบบเขม่งเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้คือจ้องแบบไม่วางตาจ้องตามตลอดผมก็ไม่ได้สนใจอีกก็รีบไปซื้อของในใจก็ยังคิดว่าคนอะไรวะบ้าหรือเปล่าพอซื้อของเสร็จระหว่างที่จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์มองกลับมาหน้าร้านผมก็ต้องตกใจผมเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าร้านฝั่งตรง ก, กันข้ามมองมาที่ผมเขม็ง ลักษณะท่ า, าทางเหมือนกําลังตะโกนอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้และก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะคิดว่าเขาคงจะบ้าขับรถได้ผมก็รีบขี่กลับหอระหว่างที่ขี่กลับไปผมก็คิดต่างๆนานาคนอะไรวะบ้าหรือเปล่าแล้วก็เกิดความรู้สึกเย็นบ้าประตำไขสันหลังของผมเหมือนขนมันลุกไปจนถึงต้นคอรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังผมเลยหันไปดูผมก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งอะไรกันนะผู้ชายคนนั้นทำไมามาวิ่งตามรถเราจะบ้าไปใหญ่แล้ววิ่งตามอยู่นั่นแหละ ไม่สนใจแล้วผมบิดอย่างเดียวหันไปอีกทีก็ยังวิ่งตามอยู่ระยะไม่ห่างกันมากแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบตัวมันผิดปกติทำไมใจผมมนถึงได้สั่นและก็รู้สึกหนาวหลังขนต้นขอก็ลุกอะไรก็ช่างรีบบิดอย่างเดียวดีกว่าผู้ชายคนนั้นวิ่งตามรถผมจนมาถึงหน้าที่ทำงานคือหน้าหอพอผมเอารถเข้าไปจอดข้างในหอเขาหยุดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกมือชี้มาที่หน้าผมจ้องเขม็งด้วยตาที่โกร จ, จัด ผมก็มองเขากลับด้วยความสงสัยว่าอะไรใครไปทําอะไรให้และจากนั้นผมก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ๆก็หายไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วผมทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ข่อมอยู่ทันทีแล้วก็รีบวิ่งขึ้นห้องพักอ๋อที่พักของผมกับที่ทํางานคือที่เดียวกันพอผมขึ้นไปถึงบนห้องเจอแฟนก็ไม่ได้พูดอะไรแฟนผมก็ถามว่าไม่ทํางานหรือผมก็ตอบเธอไปว่าทำเดี๋ยวจะลงแต่ดูเหมือนว่าแฟนผมจะรู้ว่าผมไปเจออะไรมาพอผมได้นั่งพักและหายเหวอร์ได้สักพักหนึ่ง ก็ตั้งสติแล้วก็ตั้งสมาธิลงไปทํางานต่อและเมื่อผมได้ลงไปถึงป้อมที่นั่งทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรพอนั่งไปเซิร์พั ก, ผ, กผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะว่เสียงโทรศรัพท์ของผมมันดังขึ้นใครใครโทรมาเอาป่านนี้เนี่ยสติสตังที่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวยังเหวอ่ยกับภาพของผู้ชายที่หายตัวไปตัวหน้าตัวตาและที่น่าแปลกก็คือหมายเลขที่โทรเข้าก็เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์ใครวะเนี่ยแปลกเหลือเกินใครแกล้งวะ ไม่รู้ล่ะลองกดรับดูกันดีกว่าสิ่งที่สัมผัสหูตอนแรกก็คือความเงียบแล้วก็ตามมาด้วยเสียงของปลายสายที่เป็นผู้ชายเสียงนั้นพูดว่าขิงเป็นละออนหัดอู้ให้ดีๆหน่อยพูดได้แค่นั้นแล้วก็วางไปเสียงนั้นเป็นเสียงที่เย็นมากๆไม่รู้สิมันบอกไม่ถูกว่าทําไมมันถึงได้รู้สึกกลัวอย่างนั้นในหัวผมมันสับสนไปหมดอะไรคืออะไรบอกไม่ถูกแล้วใครเป็นเจ้าของเสียงที่โทรมาคุยกับผม mm hmm. ก็เลยรีบโทรไปหาผู้จัดการ แล้วก็ถามว่าไอเบอร์นี้มันมาจากห้องไหนและสิ่งที่ผู้จัด ก, การได้บอกให้ผมรู้ก็คือหมายเลขที่ผมได้รับนั้นก็คือเบอร์หน้าห้องที่ทํางานผมนั่นเองอะไรกันเนี่ยคราวนี้ผมเริ่มคิดมากคิดมากมายจริงๆและบรรยากาศกรอบๆตัวผมมันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วผมมีความรู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองผมอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะทางไหนระหว่างที่กําลังหวาดระแวงกับบรรยากาศอันเงียบสงัดรอบๆข้างอยู่นั้นผมก็ตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะโทรศัพท์มันดังขึ้นอีก คราวนี้เป็นสิ่งของแฟนผมที่ปลายสายเธอบอกว่ามึงได้ไปพูดอะไรพร้อยมาหรือเปล่าเพราะแฟนผมนั้นเธอได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมารอบรอบที่ทำงานของผมซึ่งผมเองไม่เห็นและแฟนผมก็จึงบอกอีกว่าผู้ชายที่เธอเห็นนั้นไม่มีหัวเธอบอกว่าเธอสื่อกับเขาได้เธอบอกว่าคนที่ไม่มีหัวบอกเธอว่าผมเนี่ยปากหมาไปพูดไม่ดีกับเขาก่อนเขาบอกว่าอยากจะให้ผมไปขอโทษเขา ผมได้ยินแบบนี้แล้วบอกตามตรงโคตรกลัวเลยมันจะไม่กลัวยังไงได้ก็เพราะว่าผมอยู่คนเดียวนี่ตอนนี้และข้างนอกหอนั้นก็มืดมากไม่อยากจะมองออกไปเลยแฟนผมบอกว่าให้รีบจุดทูบบอกขอขมาลาโทษเขาแล้วก็ยังย้ำอีกว่าให้รีบทำเพราะว่าเขาจะไปแล้วผมเวลานั้นไม่มีทางเลือกเลยก็เลยตัดใจรีบหาทูบมาเพื่อขอขมาลาโทษมันทรมานใจมากเลยที่จะต้องทำในเวลายอย่างนี้ยังสดๆร้อนๆกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมา ดีนะที่ไม่มีสิ่งหมาหอนแต่ก็น่าจะดีที่สุดถ้าไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมจุดทูบกล่าวคําขอขอมาลาโทษระหว่างนั้นบรรยากาศรอบตัวมันกดดันจริงๆแต่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาถึงตอนที่ผมปักทูบลงดินนั่นแหละพอกา้านทูบปักลงดินปุ๊บสายลึกลับคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขายืนอยู่ที่ข้างรัว้วแล้วก็เหมือนว่าจะแอบมองมาที่ผมสายตาผมจ้องมองแบบทะลึงงานอยู่นิดนึ่งแล้วร่างร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้ง ไม่ไหวแล้วไม่ต้องทำงานลุคืนนั้นผมรีบขึ้นห้องพักทันทีสรุปก็คือผมลางานด่วนคืนนั้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นผมเลยถามแฟนว่าไอต้ตรงตุงแดงเนี่ยมันคืออะไรแฟนผมก็บอกให้ฟังว่ามันคือที่ที่เขาไหวผ้ผีครับชัดเจนมากเรื่องราวของผมก็มีประมาณนี้ครับนี่ก็คือประสบการณ์ของท่านขุนบีคนทำเป่านะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวจากชายนิรนามท่านสมาชิกท่านหนึ่งของทกกรคนชอบเล่านะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2535ขณะนั้นผมได้พำนักอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรตัวผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปต้องบอกก่อนครับว่าตัวผมจะมีสัมผัสที่หกเรียกว่าซิกเซนหรือลังสังหรณ์ก็ได้เพราะทุกครั้งที่จะเกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นจะมีลังสังหรณ์บอกให้รู้ซึ่งกับลางสังหรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาบอกแบบตรงๆเช่นครั้งหนึ่งผมไปนั่งกินเหล้าที่บ้านเพื่อนเห็นลูกของเพื่อนกำลังถีบสามล้อดเด็กเล่นๆอยู่ข้างวงเหล้า คำว่ากินเล่าของผมนั้นก็ไม่ใช่กินจุดเมาไม้หรือว่าจะเลื้อกเพื่อกินเพื่อเอาบรรยากาศเท่านั้นโดยปกติแล้วตามต่างจังหวัดนั้นเมื่อมีเพื่อนฝูงมาหาเขาก็จะยกข้าวยกปลามาให้กินกันพร้อมเหล้าผมเองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นักดื่มนะครับแต่กับเพื่อนฝูงก็ดื่มนิดหน่อยไม่น่าเกลียดพอเป็นพิธีเท่านั้นวันนั้นแปลกพอผมมองไปที่ลูกของเพื่อนที่เล่นรถ300ออยู่ผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอแต่งชุดไทยผมยาวนั่งอยู่แทนที่จะเป็นลูกของเพื่อน แต่เรื่องนี้ผมไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังผมมองไปเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นจุดแน่ใจว่าไม่ซี่คนแน่ๆเพราะผมเองก็ดื่มเหล้าไปแค่ส่งอึกเท่านั้นและภาพที่ผมเห็นก็ชัดมากจนไม่ค่อยกล้าหันไปมองเพราะว่ากลัวตอนเห็นรแรกๆก็ยังมีอาการลังเลคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดแต่พอมองไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็เจอก็เลยมั่นใจว่าใช่แล้วบ้านเพื่อนกับบ้านที่ผมพักนั้นอยู่ไม่ใกลกันนักที่บ้านพักผมจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมชอบขึ้นไปนอนเล่นที่กิ่งของมัน ซึ่งใหญ่มากตรงแยกกิ่งมีพื้นที่ที่นอนได้สบายบางครั้งก็ถึงกับเคลิมหลับไปเลยไม่เคยตกลงมาสักครั้งตรงข้ามกับต้นไม้ก็มีกอไผ่ดกหนาใกล้ๆกันก็มีแคร่ให้นั่งตากลมเย็นๆมีคนงานไปสร้างไว้สําหรับนั่งคุยกันเวลาเลิกงานมีอยู่วันหนึง่งผมนั่งคุยกับเพื่อนซะจนดึกเดินกะว่าจะนอนตรงนั้นกันพระลมเย็นสบายยุ่งก็ไม่มีเพื่อนผมล้มตัวลงนอนก่อนไม่นานก็หลับไปส่วนตัวผมนั้นก็ลงนอนบ้างแต่ก็นอนไม่หลับ ก็เลยลุกขึ้นมานั่งสูบบุหรี่แก้เซง็งนั่งสูบไปเรื่อยๆคนเดียวทำกลางบรรยากาศอันเงียบเชียบของราตรีได้ยินเสียงแมลงกลางคืนร้องระ ง, งมมาให้วังเวงใจเสียงของไผ่ที่โดนลมพัดสิ้นสีกันเสตาผมก็ได้แต่มองไปรอบๆเรื่อยเปืยแล้วก็คิดว่าสูบบุหรี่หมดมวนนี้ก็ควรจะหลับนอนได้แล้วขนาดนั้นเองเสตาผมก็มองไปทางกอกไผ่ที่มืดครึ้มพอดีเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นมันดูตะคุ่มตะคุ่มสะดุดตา ผมก็พยายามเพ่งจ้องมองอยู่สักครู่หนึ่งแล้วสิ่งที่เธอคุ่มเธอคุ่มนั้นก็ค่อยๆชัดขึ้นมาผมเห็นร่างคนคนหนึ่งกำลังสูบบุหรี่เดินมาทางนี้ผมก็แน่ใจเลยว่าต้องเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่ยังไม่หนอนแน่ๆร่างร่างนั้นเดินเธอคุ่มเธอคุ่มสูบบุหรี่มาเรื่อยๆผมก็จ้องมองด้วยเตรียมว่าจะทักทายแต่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้ความรู้สึกของผมก็เปลี่ยนไปผมตกใจจนตัวแข็งทื่อคนลุกเกรียวหนาวเย็นว่าบุกรูขุมขนเหมือนคนทุกเส้นตั้งชันเพราะผมเห็นได้ขนาดชัดเจนว่า ร่างที่กำลังเดินเข้ามาหาผมนั้นไม่มีหัวในรกเป็นพย า, ยานมันหิ้วหัวร่องแรงอยู่ข้างกายที่ดำทมึนปากเจ้ากรรมนั้นก็สูบบุรีอยู่อัดขวันแดงวา่วาบวบสติผมได้หลุดลงแล้วผมแผดเสียงร้องแสบแก้วหูแล้วก็หมอบก้นโดง่งเอาหน้าสุกพืนลงไปเพื่อนผมตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นผมอยู่ในท่าปแปลกๆจึงเรียกจนผมได้สติขึ้นมาและผมก็ยังแหกปากร้องว่าผีหลอกผีหลอกเพื่อนก็ถามว่าผีอยู่ที่ไหนผมก็ชี้มือไปที่กอไผ่ ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้มันมีแต่ความว่างเปล่าปีศาจ ท, ที่หิ้วหัวสูบุรี่เข้ามาหาเมื่อสักครู่ได้หายไปซะแล้วสรุปแล้วคืนนั้นก็เลือไม่ได้นอนตรงนั้นไม่รู้ว่ากี่โมกี่ยามตกใจมากจนควันหีดีฟอลพอเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปทํางานก็มีโอกาสได้เข้าไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระท่านก็บอกว่าบริเวณกอไผ่นั้นมีคนตีกันฟันกันคอขาดตายเมื่อสองปีก่อนมาแล้วก็คือมีคนเห็นเหมือนกันแต่ก็นานๆครั้งผมก็เลยถึงบางอ้อ ผู้หญิงผมยาวที่ผมเห็นบน3ร้อเด็กลูกของเพื่อนนั้นเป็นนางไม้ที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่ผมเคยขึ้นไปนอด น, นั่นเองนางไม้ผู้นี้จะติดตามไปเพื่อบอกลางร้ายลางดีให้เราและทางที่ดีก็ควรจะใส่บาตรอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาพระอาจารย์ท่านย้ำว่าโดยมากปรรดาผู้ผีวิญญาณมักจะปรากฏตัวให้เห็นนั้นหรือส่งเสียงให้ได้ยินอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ก็คือต้องการจะขอแค่ส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นการทําบุญกรวดน้ําจึงถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ก็จบลงไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับของคุณชายนิรนามทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวจากคุณเบียร์ปั่นบ้างนะครับแหมรู้สึกคอแห้งจังเลยคุณเบียร์เล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อเบียร์ผมมีประสบการณ์ที่แปลกครับอยากให้ลองฟังกันดูเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งผมกับเพื่อนๆได้นัด ก, กระโดกไปสังสรรค์กันก็ตามประสาวัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นใบขนองในช่วงนั้นผมอายุประมาณ1112ปีนี่แหละก็หัด ก, กินเหล้าเมายากันไป ก็ต้องข อ, อยอมรับอย่างแมนแมครับว่าตอนนั้นเกเรมากแต่ปัจจุบันนี้อัปเกรดแล้วครับคืนนั้นหลังจากที่ได้ตักเวีนเที่ยวตอนกลางวันเรียบร้อยแล้วผมเองตอนนั้นก็ไม่ชอบที่จะเข้าบ้านชอบเที่ยวต่อเตลิดไปเรื่อยๆตามภาษาแวรุ่นประมาณทักสองถึาทุ่มผมกับเพื่อนได้นั่งกินเหล้ากันอยู่2คนเรา2คนก็นั่งดื่มกันไปเรื่อยๆจนประมาณ4ี่ทุ่มเพื่อนของเพื่อนอีกคนก็มาแล้วก็มาอีก2คนรวมทั้งหมดคืนนั้นวงเล่าของเราก็มี5คน เราก็สังส่งสรรคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนถึงประมาณเที่ยงคืนอ้อลืมแนะนําครับว่าเพื่อนของเพื่อนที่เข้ามาเป็นคนแรกชื่อเขียวครับระหว่างที่กินเหล้ากันอยู่นั้นผมเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าเมียของมันกําลังจะคลอดลูกมันเลยไปนั่งกินเหล้าด้วยเพื่อรอคอยเวลาจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งยายเขียวก็โทรมาบอกว่าให้รีบกลับมาบ้านด่วนซึ่งบ้านของเขียวนั้นก็ไม่ได้ไกลกันมากจากจุดที่นั่งกินเหล้าอยู่ไอเขียวก็เลยถามยายว่ามีอะไรกําลังนั่งกินเหล้าอยู่แกเลยบอกไอเขียวว่า มีดวงไฟดวงหนึ่งลอยวนอยู่รอบทุ่งนาไอ้เขียวก็ถามยายว่าไฟอะไรล่ะยายยายมันก็บอกว่ากระสือเขียวหันมาบอกผมว่ากระสือเท่านั้นแหละผมก็สา่งเมาเลยเขียวเรียวิ่งกลับไปที่บ้านหาอุปกรณ์เตรียมรับมือเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะขับไล่มันไปมันอาจจะมาเพราะเมียของเขียวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกใหม่มันคงได้กลิ่นน้ำคาวกระสือมันคงจะหอมยายเขียวแกก็ไปหาไผ่หนามมาวางไว้รอบๆบ้านการทำคลอดสมัยนั้นก็ต้องใช้หมอตันแย่พื้นบ้านแต่เวลานี้ใช้หมอในบ้านก็ได้ จากนั้นเจ้าเขียวก็ได้ไปยินตะโกนร้องท้าผีกระสือมันว่าแน่จริงมึงมาสิมันร้องท้าอยู่พักใหญ่เขียวก็หันมาบอกว่าปะไปไล่มันผมได้ยินก็อึ้งเลยมึงคิดได้ไงวะแล้วมันก็ทําท่าว่ากําลังจะลงจากบ้านไปผมเลยห้ามมันไ ว, ไว้ให้ใจเย็นเพื่อนจากนั้นแม่ก็เลยด่าผีกระสือปอีกรอบลักษณะของกระสือตนนี้จะเป็นดวงไฟสีแดงเป็นของคนที่เล่นวิชาอาคมแถวบ้านผมเนี่ยผีเยอะมากแต่ก่อน อ๋อผมลืมบอกไปครับว่าผมเป็นคนสุรินตีกับเขมรแล้วช่วผีกระสือตัว น, นั้นก็ได้ขู่แบบมีแก๊สพู่ออกมาจากดวงไฟใหญ่มากเจ้าเขียวท้าคาไหนผีกระสือมันก็ขู่ไล่ตลอดจนใจคอของผมนั้นเรื่อนไม่ดีเพราะกระสือตัวนี้เป็นของพวกที่เล่นของปล่อยออกมาหากินเวลาที่มันรู้ว่าจะมีใครออกลูกตอนนั้นเวลาก็จะตีสองอยู่แล้วผมเลยตัดสินใจถามเพื่อนว่ามึงแน่จริงหรือเปล่าเพื่อนที่เหลือก็ตอบมาว่าแน่เดย์เอองั้นพวกเราก็หยิบอาวุธเดินจับ ก, กลุ่มไปหามันเลย ผมบอกพวกมันที่จริงพวกมันเองก็กลัวแบบผมนี่แหละแต่ทําไงได้เพื่อศักดิ์ศรีเอาก็เอาและแล้วพวกเราทั้ง5้าคนก็จับกลุ่มเดินลุยไปหามันแต่ละคนนั้นรู้ได้เลยว่าไปแบบกล้าๆ ก, ก็กลัวเพือ่อนอีกคนนึงในกลุ่มไม่รู้ว่าใครตะโกนออกมาไล่มันไล่มั น, ไ ม, นไม่ได้ตะโกนอย่างเดียวออกวิ่งตรงไปหาดวงไฟลูกนั้นเจ้าเขียวตะโกนลุยลุยตอนนั้นผมมีอาการรู้สึกว่าขาอ่อนเหมือนจะสั่งเมาจากนั้นพวกมันก็พากันวิ่งไปที่ดวงไฟดวงนั้นผมก็พยายามวิ่งตามให้ทัน กระสือมันก็คู่แต่พวกเราก็ไม่ถอยพอพวกเราวิ่งเข้าไปใกล้จะถึงมันมันก็พุ่งขึ้นถงฟ้าหายไปเลยตอนนั้นพวกเราทุกคนรู้สึกเหนื่อยกันมากพราะเมาจบจากการไล่กระสือพวกเราก็เดินทางกลับมาบ้านเขียวโดยการเดินจับกลุ่มกันเดินแล้วก็ถามกันว่ามันจะมาอีกไหมคําตอบก็คือไม่มีใครรู้ณเวลานั้นเมื่อมาถึงที่บ้านเขียวยายคงเขียวก็ถามว่าพวกมึงไปไหนกันมาเจ้าเขียวก็ตอบยายเป็นภาษาเขมรว่าพวกเราทั้งหมดไปไล่กระสือมา ชายเขียวก็ถามอีกว่ามันไปหรื อ, อยังเขียวก็ตอบยายไปว่ามันไปแล้วยายแกก็บอกว่าค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยแล้วแกก็บอกกับเขียวว่าเมียมึงสั่นมากดูท่าจะเป็นไข้ไปดูหน่อยเร็วจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็ลาเขียวกลับบ้านเจ้าเขียวบอกกับใจพวกเรามากที่ให้ความช่วยเหลือครับและก็จบลงแล้วครับเรื่องของคุณเบียรปันเล่นเอกเสผมมึนไปเลยก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทั้งสท่านนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องเราให้เพื่อนได้ฟังกันผมก็จะคอยสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับเรื่อ ง, องลึกรับทางบ้านเรื่องป่าล่องไพรนิทานธรรมะบางทีที่มีผิดพลาดเรื่องเวลาลงไม่ตรงวันก็ต้องขออภัยอย่างมากนะครับแต่แก่นก็คือล่องไพรวันจันทร์พุทธสุขเหมือนเดิมครับแล้ววันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีเงินใช้สมความปรารถนาทุกประการเทิดขอบคุณครับสวัสดีครับ